ตั้งใจวางคนี้ก่อนเนาะที่จะทำกิจกระอะไรอย่างอื่นคนนี่จะไปเที่ยวรอบโลกก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโทรศัพท์โทรศัพท์เออวางไว้ก่อนมันยางไม่ใช่เวลาให้พวกเราเอากิจกรรมที่เราทำ เป็นประจำเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการสอนตัวเองทุกวันเนเรารอคนอื่นสอนเรื่อว่าเทศเราแล้ค่อยเทศนะั้นตัวเองฟังวันไหนวันซ่าจะเป็นไปได้เราบ อ, อกว่าอยากจะฟังเทศคนอื่นบ้าง อยากเป็นผู้ฟังมั้จะเป็นยังไงเริ่มต้นจากกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำจริงๆแล้วเราไม่ให้ความสำคัญกับของพวกนี้ความบอกกันแค่พฤติกรรมคือพฤธิการอย่างหนึ่งตอนนั้นเอง แต่ถ้ามองโดยละเอียดมันเป็นธรรมะมเป็นข้อิดที่เราจะต้องเอาไปคิดไปนิยจิจนาทุกวนันเริ่มต้นจากเมื่อกี้เราไหว้พระเราเข้าใจว่ายังไงไหวพ ร, ระไหวพระในไหวอะไร ไว้เพื่ออะไรถ้าเอาภาษาเราง่ายๆเพื่อให้จิใจมาอ่อนโยนอ่อนน้อมเรอโอปนายกโกวิธีมันจะศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่แค่เป็นวิธีกรรมจนกลายเป็นวิธีเกินไม่จะศักดิ์สิทธิ์ยังไง เราคิดว่าเบื้องต้นที่เราทําเมื่อกี้เนะี่ยก็คือตะวัดเช้าตะวัดเย็นกับว้พระจริงๆแล้วถ้าเหมือนกับเราไปเฝ้าพระพุทธเจา้าถ้าเราให้ความสำคัญมาไเนี่ยเรากำลังไปเฝ้าพระพุทธเจา้าจริงๆแล้วคนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าต้องเตรียมตัว เตรียมกายเตรียมวาิจาเตรียมใจให้สะอาดหมดจดถึงจะไปฟอ้องผู้เจ้าเจ้านั่นก็แปล ว, ว่าควาจริงมันจะน่าจะรับสินด้วย ก, กันไปก่อนที่จะไหวาพระเพราะว่ต้องชําระกายวาจาให้ตัวเองสะอาดหมดจดก่อนก็ถึงเดี๋ยวฟ้องผู้เจ้าเพราะฉะนั้นหนึ่งผู้เจ้ามานั่ง ก็คือพระพุทธรูปเห็นไหมก็ พ, พุทธะรูปปางคือรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าเป็นเชิงสั ญ, ญลักษณ์เป็นอะไรก็ได้บนเห็ดต้ไนไายไม้อะไรก็ได้เป็นสั ญ, ญลักษณ์แล้วทุกคนก็มุ่งไปที่พระเจ้าเหมือนาศาสนาอื่นเข้าโบสถ์เข้ามัสยิดคือการฝ้องพระเจ้าครับฟ้พอพระเจ้าของเขานนัเอง แต่ว่าความแตกต่างมันแตกต่างกันแล้วเป็นศาสนาอื่นพระเจ้านไปเฝ้าพระเจ้าไปเฝ้ากอดไม่เคยพระเจ้าเข า, เาซึ่งหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ ร, รู้แต่ว่ากอดส่วนพุทธศาสนาของเราเนี่ยกรรมเดี๋ยวกามะเลี๋ยวกำเห็นไมหม ม, ไมีความแตกต่าง ระหว่างกอดกับกามะเนี่ยมันต่างกันยังไงทีนี้เมื่อเราเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จก็คือพารนาของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะรับสิ่งก็รับใจสมาคมคือการเข้าถึงพระพุทธเจ้านะั่นแหละเฝ้าพระพุทธเจ้านี่คือความสําคัญระดับขั้นตอนะเสร็จแล้วเรามารับสิ่งที่หลัง หมาว่าพุทธังทรรมังก็รับเส้นที่หลังทีนี้ถ้าส ม, มุทัง่ายๆวันนี้ส ม, มุติเราพรุทธเจ้าวาันหนังตัวนี้เราเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเจอพระพุทธเจ้าเราคิดเราจะถามพระพุทธเจ้าว่ายัางไงเราคิดว่าพระพุทธเจ้าจะถามพวกเรายัางไง สิ่งที่เราภาลานาะคือพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณเป็นประจำนั่าแหละคืคุณสมบัติที่เราจะต้องทำตัวทำตนให้ใกล้เชียงให้มากปี่สเท่ีมากได้พู่ไก่มันก็ไกลเป็นพันสองพันปีเป็นหลายร้อยล้านปีหลายพันปี โหาโลกของเราเนี่ยอันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาว่านะมัน 4,500 ล้านปีเนี่ยพูดถึงโลกนะวิทยาศาสตร์เขาว่าองนนเอาปัจจุบันเลยกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงกันเาเ ฝ, า เ, า, เฝาเขาเ้าเฝ้าเข้าเยีเ่ยมเข้าไปดูไปราไปไหวพ้พระเจ้า มันแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราไปเยี่ยมกันนะเราก็ต้องเห็นสิ่งที่เราไปเยี่ยมไปฟอ้องูุทธเจ้าเราต้องเห็นนพุทธเจ้าเราเห็ น, นพุทธเจ้าหรือย่างฟ้มากี่ปีกี่ชาตินะนะั้วถ้าเห็นแล้ว ถามาพระพุทธเจ้าบอกพวกเราว่าอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกน่ะผู้เราได้ปฏิบัติตามไหมท่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งนี้สนเปล่าไม่ได้อะไรเลย เหมือนไปทัวร์เหมือนไปเที่ยวเหมือนไปวัดพระแก้วก็ยังไม่ได้อะไรเนี่ยคือความสำคัญเพราะฉะนั้นพราสิ่งที่พระเจ้าบอกสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเฝ้าในความหมายก็คือไปดูไปเห็นแล้วก็สิ่งนี้ที่ พู้ชอานำมาขยายผลก็คือคำว่าดูเนี่ยสิ่งที่ใช้ดูคืออะไรคือตาถ้าไม่มีตาเราจะมองเห็นอะไรไหมมันก็มีบางคนมีตาเหมือนกันแต่ตามันบอดคนตาบอดมองอะไรเห็นไหม มีแต่ตาเฉยแต่มองไม่เห็นเพราะนั้นตั้งแต่โบราณออกมาไม่ว่าจะเป็นตะวันตกตะวันออกเริ่มต้นจากตะวันตกเขาเริ่มต้นจากเราก่อนเราเป็นดวงตาเป็นสั ญ, ญลักษณ์เกิดขึ้นมาหลายพันปีมาแล้วแต่เขาเข้าใจไปอีกแบบพอเข้าใจว่าดวงตา เปานสัญลักษณ์ของดวงตาเขาบอกว่าดวงตาของพระเจ้า eye of God เป็นดวงตาของพระเจ้าที่มองโลกอยู่อันนี้ฝรั่งตะวันตกเขาว่าอย่างนั้นนะนผู้ที่เจ้าก็เอาคําเหล่านี้แหละที่มาใช้เพื่อให้เราเข้าใจผู้ที่เจ้าก็ใช้คําว่าดวงตาเหมือนกัน ของอื่นเขาก็เห็นโลกแต่ของเราเนี่เห็นธรรมเราจรึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมถ้าใครยืนบันไดขั้นแรกได้เนี่เราเรียกคนนั้นว่าดวงตาเห็นธรรมตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างคะ น, นี้ ดวงตาของเราเห็นอะไรบ้างที่พูะเจ้าบอกดวงตาเห็นธรรมเราเห็นอะไรเดี๋ยวพูดเจ้าสอนให้พวกเราเห็นอะไรตาธรรมชาติของเขาภานาถึงตาก่อนตาเนี่มันเห็นหมดจุเว้นตัวมันเอง ก็หลืมตาเห็นหมดแต่ตัวมันคือตานะีมองไม่เห็นสิ่งที่ไกลที่สุดรอบตัวรอบข้างตาสามารถมองเห็นได้แต่สิ่งที่ใกล้ที่สุดตากับมองไม่เห็นมันเป็นเรื่องแปลก น, นะสิ่งที่ไกลตัวที่สุดก็คือผู้เรานะ ม, มนุษย์ที่เราทั้งหลาย สิ่งที่ตัวใกล้ที่สคือตัวเราเราก็มองไม่เห็นก็คือไม่มีดวงตานั่นแหละแตพูดยังไงคือมีก็เหมือนกับไม่มีพอมองไม่เห็นตัวเองอันนี้คือาตาพระรัน์ึงให้พวกเรามีดวงตาเห็นทำ ถ้าเราไปฟ้อผู้ทีเจ้าผู้เจ้าก็ต้องบอกว่าผู้จะจัดว่าอย่างไรพระธรรมเข้าฟ้อพระธรรมหลักประธรรมเขากล่าววาอย่างไรแต่ก็ประสงค์เป็นผู้สื่อสารในเรื่องนี้กล่าวว่าอย่างไรดวงตาเห็นธรรมคนแรกที่เห็นก็คือ คนทันญะจะได้อัญญาคนทันญะนี่คือคนแรกที่เข้าใจคือเห็นตาตาดวงตาขึ้นมาแล้วก็เห็นธรรมคือเห็นธรรมะแต่คนที่ย้ำก็คือพวกเดียวกันคนทัญยะว่าปะพัตยะมานะมะอัตสชัชิคือหนึ่งในฤาษีทั้งห้าคนที่ฟังธรรม คือพระอาตชิตที่ตามบูชาผู้เจ้ามาตลอดเวลาแต่คนที่เข้าใจแล้วก็บอกต่อแล้วก็ได้สาวกคนสำคัญมากมากก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุต ร, รก็ฟังธรรมจากอ า, อาศชิเนื่องจากพระอาตชิบทใหม่ต้องใช้คาว่าบทใหม่ถ้ากะไม่สมาธิจะอธิบายิขยายความอะไรได้ เพียงแต่ว่าพอสายระบุตรเห็นแล้วเกิดศรัทธาในการบินทบาทศรัทธาตรงที่ว่าในขณะที่เดินย่างก้าวบินทบาทพระอัศสชษณนั้ทอดสายตาโดยประมาณไม่หลอกแหลกคือมองต่ำมองทันระยะไม่ได้นนมองไปเหมือนผู้เรามองแล้วเกิดความศรัทธาคือเลื่อมสาย ก็ตามไปเพื่อชี้จะถาาว่าครูของท่านเป็นใครพอ้ช่วงนั้นโมคลาสาริบุตรกำลังแสวงหาครูจะออกจากสำนักของสรนชัยแล้วอันนี้มาอธิบายมาเข้าใจมองตรงกันว่าพระอาจารยชีท่านก็บอกสิ่งที่ท่านจะบอกเราก็ไปจะดูจะเห็นตามหลักศีลาจารึกในประวัติศาสตร์ตัง้งแต่ยุคเก่าแก่มาแล้ว เยกพัตราวดีที่เป็นถ้าเราไปตามพิพิธภัณฑ์ตบราณแองกฤษต่างๆอะที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะจะรึกคำคำนี้ยคือคำของพระอัาาาสชีนั่นแหละเป็นภาษาบาลีบ้างเวีวาภาษาสกฤรตตั้งโอเยธรรมาเหตุปปะปเตสังเหตุตรงตถาคตเตสังจะิโรโทจะ เวยวางวาทีมหาส ม, มโนคําเนี้ที่เป็นคําจารึกสั้นๆลงบนแผ่นหินเป็นตนพันปีมาแล้วนะปเตอรเป็นคำศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ไปไปลอาออกเหรียญออกอะไรก็ไปจารึกไว้หลังเหรียญหรือว่าขังคําแปเป็นภาษาเร า, า ง, ง่ายๆคือ ท, ทําทางหลายเกิดจากเหตุ พระตาคตตัดบอกเหตุแห่งทำทลายเห่านั้นและความดับแห่งทำลายเหล่านั้นเอวังวัติมหาสมณุพระสมณะเป็นผู้มีปกติเปาอย่างนี้นี่คือคำสัส้นๆที่พระอธิชิบอกกับสารีบุตรสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญา ภาษารี่ปุ่นสำเร็จทำโดยไม่ได้ฟังทำจากผู้เช้าโดยตรงฟังทำในขณะที่ผู้เช้าเทศน์ทั้งอื่นฟังพูดง่ายๆภาษาญีบปุ่นก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังไปพัดไปวีผู้ที่เจ้าก็นั่งตั้งใจฟังคือโปรดฟรรมก็ได้รตูตไดเห็นธรรม มันนะคําว่าดวงตาเห็นธรรมก็มันนึกถึงตาเอาอย่ามาเข้าถึงเรื่องอะไรทีนี้มีตาไว้ให้เราดูมีตาไว้ให้เห็นแต่หลังจากดูหลังจากเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พิจารณาคาว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือนึกถึงคนแรกที่เข้าใจ เข้าใจว่ายังไงเข้าใจผูจ้ที่จะสรุปให้ราฟังว่าสิ่งที่ฟังแล้วเข้าใจก็คือพระคุณัญญาซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระเป็นฤๅษีถ้าคนนึงเป็นฤๅษีหลังจากผู้เจ้าพูดให้ฟังอ่ะพูดภาษาเราง่ายๆก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาคือเกิดปัญญานะแล้วผู้เจ้าก็สรุปให้ฟังยังกินเจส ม, มุดยถาธรรม สัมบันตังนิโรธธรรมมันมันจะเป็นภาษาบาลีภาษาเราก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่งไหมีขึ้เป็นธรรมดาแปลว่าอะไรพระอัญญาโกนธัญะเข้าใจทันทีว่า ทั้งหมดทั้งเบงบนโลกบบนี้ทั้งสังคตตาธรรมสังคตตาธรรมท่านโดยสรุปโดยภาพรวมก็คือคำว่าเห็นในทันี้ก็คือเข้าใจในตันทีว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับอันนี้คือคำสรุปว่าทุกอย่างในโลกนะี้ เอาสิ่งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามมันเกิดแล้วมันต้องดับจเรียกว่าเกิดตายหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ก็แล้วก็ดวงตาเห็นธรรมทีนี้ทําอย่างไรเราจึงได้วดวงตายเห็นธรรมคือวิธีชิดในชีวิตปัจําวันพราะพวกเราอยู่กับประยัดกันมานานอยู่กับตำรากับการเรียนรู้อยู่กันฟัง จนกลายเป็นเรื่องอยู่อย่างซับซ้อนสุดท้ายกลายเป็นเรื่องอดีตอนาคตแม้แต่ความเป็นอยู่ของตัวเราเองก็ตามก็จะคำนึงถึงอดีตถึงอนาคตไปไม่แต่นโรกสวรรค์นิพพานเราก็ทอบอกเป็นเรื่อ ง, อ, งอนาคตอันนั้นเป็นเปนเชิงของเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณคดี ประเดดประยคําพูดเพื่อให้เราเข้าใจว่าตายไปแล้วมันไม่ต้องมีนรกมีสวรรค์มีนิพพา น, นเพื่อมีเป้าหมายให้เราคิดได้แท้ที่จริงแล้วนรกสวรรค์นิพพานมันคืออะไรถ้าเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมคือยังไม่เห็นธรรมะถ้าสิ่งเหล่านี้เราก็เข้าใจตามให้เข้าใจกันถ้าสมมติว่าเราจะเปรียบ เอานรกเปรตสันติรชานอสุรกายเราก็จะรอว่าตายเมื่อไหร่จะพบหรือจะเจอเสิ่งเหล่านี้แต่สมมติว่าท่านแนวดวงตาเห็นธรรมคือมันให้ไปเห็นธรรมง่ายเร็วขึ้นเลยเราเอาปัจจุบันดีไหมคือคิดเห็นปัจจุบันเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบัน มันให้อยู่กัอดีตนะโคตถ้าอยู่กับปัจจุบันอะมันจะต้องมีวิธีคิดว่าในขนะที่เราไปฟอกคุณแ่้วทุกวันมันต้องได้แนวของคิดมาบ้างแหะเพระอย่างน้อที่สุดก็คือคำว่านรกก็คืออะไรตามที่อธิบายพัลน า, าจากตำรา ห, หรือปริยัติอะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกว่านรกนั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์ระหลายที่ทากรรมเอาไว้ คือไปเสวยกรรมเร็วตกนรกบอกไม่ธรรมชาติของเขาคือเพราะว่าตกน ร, รกก็คือทั้งกายทั้งใจที่เป็นรูปและนามในขณะนั้นมันร้อนถามว่าสภาพอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของเราไม่เคยมีเล ย, เลย กายมันร้อนใจมันร้อนมันไม่เคยปรากฏกับพวกเราเลยหรือริ่มปตนจะ้าต้องการให้ดวงตาเห็นธรรมพระบอกว่ามันเดือดร้อนมันวุ่นวายมันสับสนมันไม่มีทิศทางแปลว่าใจมันร้อนก็น่าจะอนุมานได้ว่า ในขณะนั้นใจมันน่าจะตกนรกอะ่ะหมายถึงใจนะไม่ใช่ ก, กายนะมันบอกวุ่นกับสิ่งเหล่านั้นนั่นคือใจมันตกนรกก็แปลว่าอะไรนรกมันเกิดขึ้นแล้วทํำยังไงทีนี้นรกก็เกิดเดือดร้อนก็คือมันร้อนกลับบ้านที่เดิมที่ท่านอัตชิตจัดทำทั้งหลายมาจากเหตุ เหตุก็คือนึกถึงคู่เคยอธิบายหลายรอบพูดหลายรอบแ ล, ล้วว่าสมมติถึงว่าร้อนสมมติเราหวานร้อนใจมารุบร้อนเราจะต้องนึกถึงอะไรก็คือวิธีแก้นั่นแหละสิ่งที่ตรงข้ามกับร้อนคืออะไรเย็นแสดงว่าตอนนั้นเรามันไม่เย็น ทำยังไงถงึงมันเย็นก็รตรงข้ามกับร้อนเริ่มต้นจากให้มันร้อนน้อยลงคือลดความร้อนไม่ให้มันร้อนเลยทันทีมเป็นไปไม่ได้เหมือนน้ำร้อนๆให้มันเย็นทันทีนเป็นไปไม่ได้ควลดอุณหภูมิลงความร้อนมันจะกลายเป็นความเย็นในที่สุดถ้าปล่อยไว้เนี่ยเห็นไหมมันดับอะ เย็นนะั่นแหคือดับนี่คือการเกิดดับนะเราเห็นการเกิดดับในใจเราเนี้เป็นลักษณะอย่างนี้มันมีร้อนมันต้องเย็นแต่ถ้าไม่แก้เลยมันก็จะร้อนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็จะตกนรกอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้คือนรกคือใจเป็นนรกในขณะนั้นอย่างนี้มันต้องไปพูดถึงชาติหน้าชาตินู้นมันถึงถึงวิมานอะไรสัอย่างที่เป็นรูปเป็นร่าง เอาอย่างนี้นเข้าใจแล้วโอนรกมันเป็นอย่างนี้ถ้มามันเกิดขึ้นกับผู้ใดมันเป็นอย่างนี้คือนรกสตัตว์ธรรมาชาติของสัตว์คืออะไรธรรมาชาติของเขาก็คือถ้าเป็นภาพรวมง่ายๆภาษาเราง่ายๆ น, น่นคือบอกว่าโง่คือมันไม่ฉลาด หมูหมากะไก่ช้างมา้าโวควายพูดง่ายๆอย่างนี้เขาไม่มีความฉลาดไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาดเลยนะฉลาดแต่ว่าฉลาดน้อยน้อยมากเราจึง อ, อนุมาลพระบัวไม่ฉลาดแต่เป็นภาษาไทยเราง่ายๆคือโง่แปลว่าอะไรแปลว่าจิตวิการกระทําของพวกเราทั้งหลายถ้าทําแบบโง่โงคิดแบบโง่โ ง, ง่อยู่ในขณะนั้นแหละ มันก็เป็นสัตว์แล้วนะนะไหมแล้วกสัตว์เปรตเปรตคืออะไรเธอยังเพิ่งพาปัจจัยภายนอกยังคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นเป็นสมา ร, ร, ร์ทบัลลบนดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นหรือยังของอยู่สารพัดขอนั่นคือเปรตหรือลักษณะของเปรต ถาว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเพรสอสุรกายอะสุระกายะคือมันมันไม่กล้าอ่านหนึ่งไปว่าไม่สุระคือกล้ากาย ะ, ายะคือต้าตัวเราร่างกายคือร่างกายนี้มันเกิดความกลัว ความกลัวได้เป็นภาษาธรรมก็เรียกว่าภัยกายของเรายังมีภัยอยู่ยังมีความกลัวอยู่มันมีความกล้ากลัวไปหมดการ น, นี้อาสุรกายเกิดขึ้นมันต้องไปถามหาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างใดๆเลยนี่คืออสุรกายในร่างของค้ดมาเกิดความกลัวมันเป็นภัย ในพราะ อ, องกิง้งในวัตฏะกุสารันนั้นเนี่นแหละคืออสุรกายอย่างแท้จริงเพราะนั้นเราเห็นเราอ้นี่นคือโรคเปรตสัญญาณอรกายมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยแปลว่าในขณะ จ, จิตเนี่ยมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่นี่ตลอดเวลาเราจึงต้องไปฟฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวนัน ก็จะได้หากุศโลบายหานโยบายบอกกล่าวสอนเราว่าพระพุทธเจ้าของเราสอนอะไรพระธรรมสอนอะไรพระสงสอนอะไรเราถึงต้องมาไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นก็คือการไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นเองพอเฝ้าเราต้องเห็นนะเห็นอะไรก็คือเห็นธรรมคนที่จะเห็นธรรมนั้นจะต้องมีตามันเห็นรูปเนะี่ย เราก็ต้องมีตาก่อนตาที่เราหาที่เราปฏิบัตินะตาต้องการให้เราเห็นธรรมไม่ได้ให้เห็นโลกไม่เห็นธรรมเราย่งที่เอาดวงตาเห็นธรรมคำถามก็คือดวงตาเหล่านั้นเกิดขึ้นหรือยังถ้าดวงตาเรา่า น, นยังไม่เกิดขึ้นเราก็มองมาเห็นอะไรมันก็ไม่แปลกพราเราไม่มีตา ไม่มีตาจะอะไรไปมองจะอะไรไปเห็นโดยภาพรวมเราจึงเป็นอย่างนี้แหละว่ า, วาดวงตาเห็นธรรมมันไม่เกิดขึ้นเราจึงมองไม่เห็นเห็นก็ไม่เกิดปัญญาเราเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมมันไม่เกิดขึ้นนังการปฏิบัติตามมันก็ต้องการให้เราเข้าใจชัดเจนเอาง่ายๆเอาสั้นๆแล้วหมอให้เห็นถึงเช่นพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์ มาเท่ยงแค่เราต้นที่ทุกข์อย่างเดียวเหตุแทงทุกข์คืออะไรเดชะมาเหตุตุปภานสอนถึงเหตุเหตุทั้งทุกคืออะไรดับทุกข์นั้นมันจะดับอย่างไงคือเห็นว่าเหตุมันยังไงเกิดยังไงต้นยังไงและดับยังไงไม่ใช่เห็นทุกข์อย่างเดียวต้องเห็นเห็ น, หนและกันดับของทุกข์ด้วยคือเห็นการเกิดและการดับนั่นเองทวนเราเห็นหรือยัง แม้แต่การแอติยากายของตัวเรเองคือการเกิดเรียวชาติการดับเรียวตายเราเห็นพวกนี้หรือยังถ้ายังไม่เห็นพวกนี้ดวงตาเห็นทําก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่เห็นเพาไม่เชื่อเพราะเห็นดวงตาธรรมก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกดวงตาทํามคืออันนี้คือเห็นทุกข์เป็นการเกิดขึ้นของทุกข์และการดับไปของทุกข์ สรุปง่ายๆคือเห็นการเกิดการดับของรูปของน้ำแค่นี้เองรูปน้ําอยู่ตรงไหนร่างกายของเราร่างกายของเราคือเลยขันห้าขันห้าเป็นที่มาของทุกแต่เราไม่เห็นว่าขันห้านี่ยมันเป็นทุกเนี่ยก็คือดวงตาเห็นทําให้เกิดขึ้นในขันห้าอันนี้อันนี้คือสั้นๆง่ายๆถ้าเรายังไม่มีคือยังไม่เห็นตัวเอง ยังไม่เห็นขันของตัวเองเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามสี่ห้าต้งหาขันถ้าจะเป็นรูปก็าตามเป็นนามก็าตามเราไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะเราไม่กํำหนดเราไปกําหนดอะไรก็ไม่รู้ในชีวิตประจำวันเราจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมมันก็ไม่เกิดเพราะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นดวงตาเห็นธรรมที่ว่าเห็นธรรมก็คือเห็นอันนี้ คือเห็นการเกิดและการดับถ้าใครเห็นเร็วที่สุดคนนั้นก็ได้ประโยชน์แต่เห็นช้าหน่อยก็ดีขึ้นมาหนึ่งแต่ถ้าไม่เห็นเลยไม่เห็นการเกิดการดับเลยเมียนสุขเบีนทุกข์ไม่เห็นอะไรทั้งอย่างในโลกนี้โบราณเชื่อพวกคนตาบอดคือไม่เหนอะไรคือไม่เห็นธรรมนั่นเองปัญญาสัตว์สัตว์ทั้งหลายจึงเข้าใจว่านโลกเปรดสัตว์ เดี๋ยวจอสุรกายนู่นตายไปแล้วทึงไปสะเบย์ก่อนเหล่านั้นมันไม่ใช่ก็คือเห็นทุวันเนี้ยให้พระเจ้าตอนนี้ถ้ามันร่วงร้อนอยู่หนูนะเต้องทําให้มันเย็นนะเย็นคืออะไรคือศีละคือศี ล, ลที่มันร้อนอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีศีลซักตัวเมื่อวานมึงก็มาถามว่าเคยมีพระพูดว่า วันวันหนึ่งมันต้องมีสินบ้างอย่างน้อยที่สุดข้อหนึ่งก็ยังดีก็เลยจิงถามก่อนเลยว่าอสินข้อหนึ่งนะ่ะถึงก็ห้ามคืออะไรข้อไหนสําคัญอย่างไรก็รตอบไม่ได้ศิลห้าบอกถือข้อเดียวก็พอข้อไหน เ, เป็นเราจะถือข้อไหน แต่ก็ยังดีนะถือว่ามีข้อหนึ่งก็ยังดีนะอย่างนแรกก็คื อ, อยังนึืถึงสินนะยังไงเต่๋ยวถ้ามันรื่อถึงเลยคือนึกไม่ออกเลยเนะี่ยโอ่ลำบากนะนั่นคือสภาวะที่เป็นโรคเปรตเรสลยชาสุรกายถ้าจิตเราไม่มีสินนะอวันไหนถ้าเราไม่มีสินทั้งตัวเนะี่ยเพราะนั้นโบราณอาจารย์บอกไ ว, ว้ยพาสมธาใจเหนนืนน่อยเห็นไหมเป็นเรืยะประเวณีนะเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้นถ้าเราหลังจากไปฟ้อพระพุทธเจ้าแล้วเอาทบทวนตัวเองก็คือสินนั่นเองเพราะนี่นคือพื้นฐานในการเห็นธรรมที่มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นการนั่งการปฏิบัติของเราขั้นแรกคือต้องการให้เรามีดวงตาเห็นธรรมอันนี้แหละในงั้นเราจะไม่เห็นอะไรเลยเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่รู้มันไม่เข้าใจสุดท้ายก็เกิดดับเกิดและตายฟรีคือไม่เห็นอะไรเลย แ่ดันอยาทิ้งชีวิตปล่อยเปล่าไปโดยไรประโยชน์โดยมิสระให้ใช้หลักการอบบนี้แหละถึงดวงตายแต่ไม่ปรากฏจริงก็าตามแต่ให้ใช้วิธีคิดอย่างนี้ว่าดวงตายอันทำมันคือเห็นลักษณะยอย่างนี้มันตองมึกถึงเป็นคู่เป็นคู่ไปในขณะที่เป็นสุขอยู่ให้นึกถึงทุกข์มังในขณะที่เป็นทุกข์กกอยู่ให้นึกถึงสุขมันคู่กันอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายสุขทุกข์มันก็คือแปรปรวนกันธรรมชาติ เกิดตายมันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างนึงมันไม่เกี่ยวอะไรกับใจคือไม่เกี่ยวอะไรกับน้ํามันเกี่ยวเฉพาะรูปเท่านั้นนะทีนี้ถ้าเราอยาแยกไม่เอาว่ามันเป็นเรื่องของรูปหรือเป็นเรื่องของน้ำอันนีล้ลำบากล้ะดวงตาการทำมันไม่เกิดขึ้นกับพวกเราเพราะนั่นจะไปชดวโาดวงตากันมันยุ่งยากมากกว่าจะเห็นเราไม่มีแนวเลย วันนี้ฝากไว้ให้พวกเราเพื่อให้เราเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นแบบโลกก็ยังดีนะถ้าไม่เห็นแบบโดยธรรมก็ยังโดยสภาวะแต่ถ้าไม่เห็นอะไรเลยนี่นั่นแหคือตาบอดตาบอดทวนเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยอย่าเป็นคนตาบอดใช้ตาเป็นประโยชน์เห็นแล้วใครควรพิจารณาที่สมาระดังใจโยใครควรก่อนเราค่อยทำคุณคิด เราก็เชื่อดำเนินรอยตามพุทธองค์วันนี้เขฝ า, า, ฟ า, ฟ า, ฟ า, ฟากประสาดวงตาเห็นธรรมแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนเกิดดวงตาเห็นธรรมในปรรษาก า, ารนี้ถ้าอย่างนงี้มันก็จะเราไม่ก็ไปตัวกรอกลอกละคือมันเจน็นละถ้าเราเย็นมันก็คือไม่ตกรอกลอละถ้าเราไม่มีความกลัวคือมีความมั่นใจในตัวเองนั่นคือมันเรามัต้องไปอาศุรกายละ เราไม่ต้องไปไปขออิงวอนอธิษฐานนั่นฐานนี้เราคงไม่ต้องไปต้องเป็นเปรตละคือเราฉลาดขึ้นทุกวันเราก็ไม่ต้องเป็นสัตว์ละโดยเฉพาะสัตว์เดรัจฉานนี่คุณสมบัตินะมันดีอย่างนี้พนันท่าสิ่งเหล่านี้มีครบไม่ต้องไป็นกลัวเปรตนรกสัตว์เดรัจฉานสุรกายพราวหราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เว้นไว้แต่คนนั้นมีดวงตาเห็นธรรมถึงจะเห็นสิ่งเหล่านี้ ถ้าใครยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่มีดวงตาเห็นธรรมขอฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวหนึ่งแนวคิดแนวปฏิบัติในภาษาการนี้เราก็จะได้เห็นธรรมทุกคนเพอเราทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมอยู่ในโลกก็เจริญแบบโลกคิดแบบโลกอยู่ทางธรรมก็คิดแบบธรรมโลกกับธรรมนั้นคู่กันตลอดไปสิ้นโลกก็ให้เหลือธรรมบ้างแต่เมื่อสิ้นโลกแล้ว ไม่เหลืออะไรทำก็ไม่เหลืออะไรก็คือไม่ได้ดวตาเห็นธรรมก็ไม่เห็นอะไรเลยก็มืดมาตลอดไป็นเรืออันตรายนะพอเราทลายได้แล้วคสุขความเจริญทางทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทิน